ตวะทุระหะทุสัมมาสัมปุทสนาโมตสักกตวะทุระหะทุสัมมาสัมปุทสักนาโมตสักกตวะทุระหะทุสัมมาสัมุทั ดุกมะเจติติดิมาสธรรมปรียาจรสัทโทสัทญาสัมมณีสกจังธรมโมโซตโปตินาอีจะได นำธรรมว่าถึงความเพียนมาแสดงสู่กันฟังเพื่อเป็นการระคับประคองและส่งเสริมในสัมมาปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งทั้งหลาย ตามนัยที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมซึ่งเป็นภาษาบาลีนั่นว่าวิริยุขมัจเจติซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ เพราะความเพลียนดังนี้ธรรมะซึ่งได้แสดงถึงเรื่องของความภาความเขียนนี้ก็เป็นที่ ข้อหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายจำต้องศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจโดยถูกต้องตาหรับ ของความเป็นจริงในเรื่องของความเปลี่ยนนี้คนเราไม่ว่าจะประกอบกิจใดๆเราคือในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดี ที่เราท่านทั้งหลายได้ประสบผลสำเร็จมากก็ตามน้อยก็ตามก็ย่อมจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุกล่าวคือความเพียรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น การที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่เบื่อไม่หน่ายไม่ทอแทรอ่อนแอเกิดขึ้นในส่วนกายส่วนจิตหรือแม่จะมีอยู่ในบางครั้งบางคราว หรือเพียงเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถที่จะกาจัดเหตุการณ์ดังกล่าวให้สงบระงับไปจากกายและจิตของเราและก็พากันสามารถรักษาไว้ได้ ซึ่ง้อวัดปฏิบัติทั้งเป็นของใหม่และก็ของเก่าของเก่าก็หมายถึงจริยวัดได้ แ, แก่วัดคือความประพฤติที่ให้ปรากฏเกิดขึ้น เป็นขึ้นในกายในวาจาและในจิตของเราของใหม่ก็หมายถึงกฎกติกาที่หมู่คณะ แต่ละหมู่แต่ละคณะที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก่อนเป็นหมวดเป็นหมู่ได้กำหนดหมายระกดั้งขึ้นด้วยเห็นว่าจะนำผู้ที่มีความเคารพ และรักษาพากันปฏิบัติดำเนินให้เป็นเป็นธรมเหล่านั้นจะได้ประสบกับผลคือความสำเร็จแห่งความตั้งใจของตนของตนสิ่งเหล่านี้จะไม่ขาดตกบกพร่อง หรือจะมีบ้างก็เพียงเล็กๆ น, น้อยๆและดำรงทรงอยู่ได้เพราะอาศัยความภาคความเพียรของพวกเราโดยแท้แต่ความเพียนในที่นี้บ่งบอกถึงว่าบุคคลจะร่วงพ้นไปจากความทุกข์ ได้เพราะความเพียรความเพียรก็หมายถึงความพยายามหมายถึงความบักบันหมายถึงความเอาใจใส่จดจอกระทาอยู่เสมอหนึ่งหนึ่งปรบกล่าว อยู่เสมอหนึ่งๆและลึกนึกถึงอยู่หนึ่งๆการทำพูดและคิดอยู่เสมอหรือเป็นนิตในที่สุดเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความเพียน นประกอีกประการท่านได้ชี้บ่งบอกถึงผลของความเพลียนนั่นก็หมายถึงเรื่องของความทุกข์เพราะผู้มีความเพลี่ยนเท่านั้นจึงเป็นผู้คนทุกข์ได้ คำว่าทุกข์ท่านยกเอาขึ้นมาเป็นนิมิตใหม่ประกาศถึงผลของความเปลี่ยนและความทุกนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่รวมลงแห่งที่ทั้งหลาย ทั้งปวงโดยเฉพาะก่าวคือเป็นเรื่องของวัตตะแปลว่าความวนนี่กล่าวกันอย่างกว้าง ความทุกข์นี้เป็นผลเกิดจากเหตุเหตุที่ก่อให้เกิดแห่งความทุกข์นั้นมีมากนอกจากถ้าเราจะเพ่งมองศึกษารู้ตามสัญญาธรรม ท่านผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ประสบกับความมีความเป็นได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็ย่อมเป็นความรู้ความเห็นที่ ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นปุถุชนอันประกอบไปด้วยกิเลสยากที่จะรู้ตามได้อั น, นั้นหมายถึงว่ารู้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่รู้โดยเพียงยิ้เพลินแต่พวกเราทันทั้งหลายได้ยอมรับในเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหงุนานับประการนั้นก็เพียงแค่เป็นสัญญาธรรมในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธและได้มีโอกาสได้สะดับรับฟัง ด้วยหูของตนบ้างได้ประจักษ์ในทางจากสุขคือในตาของตนเพราะสภาวะคือความเป็นจริงแห่งความทุกข์นั้นได้ปรกกากฏกก่าคือแสดงไปตามกฎของธรรมชาติตลอดถึงเราได้ ใ, ใช้จากสุขของเราให้มันเป็นประโยชน์ ใ่การได้อ่านการได้สวดสาธยายและอื่นๆก็รวนแล้วแต่เป็นที่มาแห่งความรู้ในเรื่องเหตุและผลดังกล่าวแล้วคือความทุกข์อันนั้น เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะร่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเปี่ยนผู้ไม่มีความเปลี่ยนหรือมีความเปลี่ยนแต่ไม่รู้จักใช้ความเปลี่ยนของตนก็ไม่อาจที่จะพ้นไปจากความทุกข์แต่ละอย่างละอย่าง แมเปียงเล็กๆ น, น้อยๆซึ่งปรากฏจะมีอยู่ในโลกนี้ได้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นกันอยู่โดยดื่นดานสมัยเมื่อบุรุมโบราณคนโบราณก็เด็ขาดการสนับสนุนส่งเสริ ก็ใช่เกิดผลวิทยาคือความรู้ศิลปรกรรมต่างๆเทียบกันไม่ได้เลยกับในยุคปัจจุบันนี้แต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าคนโ บ, บราณ น, นั้นจะเป็นผู้ไม่มีความเพียรก็หาไม่ได้คนบรโบราณไม่ได้รับการศึกษา เพื่องฟูสูงส่งเหมือนกับคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มิได้หมายถึงคนโบรมโบราณ น, นั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นไปตามยุคตามการของโลกที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือพัฒนา ในแง่ต่างๆเหมือนกับปัจจุบันโรคปัจจุบันเรามองในแง่นก็นับว่าจเจริญทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศชาติบ้านเมืองของเราจเจริญทั้งในด้านความเป็นอยู่ทั้งในด้านการศึกษา ทั้งในด้านนามใหม่เหล่านี้เป็นต้นสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะความสนับสนุนทั้งในภาคของวิชาการทั้งในภาคของการปฏิบัติแต่ปรากฏว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีความเพียน ไม่มีความพยายามให้ถูกต้องตามหน้าที่ของตนนั้นมีมากยิ่งขึ้นมากพอที่จะทําให้ผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองมากพอที่จะทําผู้ปกครองทําให้ผู้ปกครองเช่นครูอาจารย์บิดามารดา ต้องเป็นปัญหาประจําวันมีมากขึ้นไม่เฉพาะประเทศไทยนั่นแสดงถึงว่าบุคคลไม่มีความเพี่ยนเพรา ะ, ะนั้นคนไม่มีความเพียนนั้น จึงไม่อาจที่จะก้าวล่วงพ้นไปจากเหตุการณ์อันพึงจะพ้นเฉพาะกิจจะพาะพการเฉพาะหน้าได้ให้การพ้นไปไม่ได้เฉพาะกิจจะพาะพการเฉพาะหน้าและอื่นๆมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ เมื่อพ้นไม่ได้มันก็ทุกข์เช่นอย่างเรามีหน้าที่ในการศึกษาหาวิชาความรู้สิเรปศ า, าสส่ตนเพราะเรากำลังอยู่ในวัยนั้นกลับไม่สนใจไม่เอาใจใส่นั่นก็แสดงถึงว่า เป็นผู้ไม่มีความเปี่ยนเมื่อเป็นผู้ไม่มีความเพี่ยนก็ไม่อาจาที่จะพ้นจากความโง่เพราะความไม่รู้ศิละปะวิทยาต่างๆที่เราจะฝึงได้ในโรงเรียนนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นผลของมันก็ให้ประสบกับความทุกข์ นานับประการแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นด้วยหน้าถหงความโง่ของตนหรือไม่เช่นนั้นก็ใช้ความภาคความเพียนความขยันอดทนเอาใจใส่นอกลูก่นอกทางไม่เหมาะไม่สมไม่ถูกต้องกับภาวะคือความเป็น อยู่ในวัยของตอนนั้นนะหรือเมื่อเรียนสำเร็จแล้วรู้แล้วศิละปะวิทยานั้นความภาคความเพียรก็มาสะดุดหยุดลงด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆไม่อาจสามารถที่จะนำศิละปะวิทยาสู่ความรู้ที่ตนได้ทุ่มเท ความภาคความเพียรลงไปได้สำเร็จมาเมื่อจะกล่าวกันให้ทั่วถึงแล้วนะความสำเร็จของพวกเราทันทั้งหลายแต่ละขั้นตอนนั้นไม่ได้ทำให้ความเราเป็นผู้สูญเสียสิ่งที่เราพรุงประสงค์ ท่านไม่เหมาะไม่ควรแก่ไว้และภาวะของตนเพียงแต่ผู้เดียวพ่อหาไม่ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีบิดามาันดาครูประาอาจารย์หรือผู้ที่ให้การอุปคธรรมค้ำชูสนับสนุนและส่งเสริมก็ต้องพอยสูญเสีย เสียทั้งส่วนภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองเสียทั้งส่วนภายในได้แก่กำลังใจคือสติปัญญาความเมตตาความกรุณาก็ต้องคอยสูญเสียเป็นนี่ถ้าเราจะพิจารณากันให้อย่างกว้างขวางนี้ฉันใดเมื่อเราได้ เข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพระพุทธศาสนาโดยมีทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใชยเป็นที่หมายเป็นที่พึงประสงค์เพื่อจะส่งให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้สมฤทธิผล ความสำฤทธิ์ผลในชีวิตของผู้ปติพรมมจั์นั้นเราทั้งทั้งหลายก็ย่อมจะเป็นที่เข้าเข้าใจกันถึงแม้จะไม่มากนะักก็เป็นการเพียงพอแก่ความถูกต้อง ในเหตุและผลนั้นๆนเพราะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวถึงความทุกข์มันก็มีอยู่เต็มโลกเต็มชีวิตของพวกเราทีเดียวชาติปีทุกขาชาติแปลว่าความเกิดเป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นตน้นการเกิดทำไมจึงเป็นทุกข์ถ้าเราจะมองถึงความบอบบางที่เกิดของชีวิตแห่งพวกเราทุกๆท่านแล้วมันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆโดยที่เราจะมองด้วยตาเนื้อเจ็บสุข ไม่เห็นเลยนั่นเนี่ยมันเป็นความบอบบางและก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่เราทัานทั้งหรายได้เล็ดลอดพ้นจาก มัจจุคือความตายและได้มีลมหายใจอยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดถึงได้มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของนักปราชญ์ได้แก่ท่านผู้รู้เรียกว่าพระพุทธศาสนากล่าวคือคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงนับว่าเป็นราบอันประเสริฐ อย่างที่สุดถึงแม้ว่าพวกเราจะยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมจนส่งผลให้เราทุกท่านทุกคน้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและสิ่งใดที่เราสร้ ละงดเว้นได้แล้วเพียงแค่สมาทานวิรัติสัมปตตาวิรัติก็ยังนับว่าเป็นผู้มีโชคดีถึงแม้ว่าเราท่านทั้งหลายจะยังไม่เข้าถึงขั้นของสมุเทเฉทวิรัติเป็นการงดเว้นโดยเด็ดขาดนั่นก็หมายถึงว่ากรรมนใดนที่เราได ระได่งดใดเว้นเพราะการกระทำพูดรคิดซึ่งเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเราระงดเว้นได้แล้วถึงจะไม่เป็นสมุทเฉทประหารก็าตามจะยังกับกรรมเลิกเสริมสารเกิดขึ้นอยู่ก็ตามก็นับว่าเราเป็นผู้มีโชคดี อย่างน้อยก็ทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีวูตาสว่างและก็ยอมรับเป็นสัจจะสมจริงดังที่พระพุทธเจ้าคือท่านผู้รู้แจ้งแทงตลอดได้ทรงตัดไหว้หรือแสดงไว้เมื่อเราได้มีโอกาส แล้วก็มีชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ย่อมจะสอดแสดงถึงนิมิตใหม่บอกถึงเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบารมีได้เกิคุณความดีเรียกว่ากุบุญกุศลเป็นผลส่งให้ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายได้ปรากฏขึ้นในโลก และดำรงทรงอยู่ในโลกถึงแม้เราจะได้ฝ่าฝันกับบุปผคเป็นเครื่องขัดข้องแระทุกทั้งหลายทั้งหมดก็ตามพระจิงจัดว่าเป็นผู้มีโชคดีและมีโอกาสที่จะทำให้เราได้รู้ทั้งนี้ เพราะว่าปุเพกตาปุญญาตาด้วยอาศัยบุญบรารมีได้แก่คุณความดีที่พวกเราทัทาง้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้มีขึ้นเป็นขึ้นในกายวาจาจิตของตน ในการก่อนคือในการอดีตนั่นเองส่งผลให้แก่พวกเราถึงแม้พวกเราจะยังไม่พ้นทุกข์ในสิ่งที่ละได้แล้วงดได้แล้วยังกลับกำเริบเสบสารขึ้นมาอีกสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราอีกต่อไปได้ทั้งนี้ ก็เพราะความเพียรดังนั้นในพวกเราท่านทั้งหลายได้โปรดพินิษ์พิจารณาเอาด้วยตัวเองคำว่าทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเพียงคำเดียวบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร คำว่าทุกนั้นมีอยู่เต็มโลกไม่ว่าโลกภายนอกโอกาสสโรกหมายถึงดินฟ้าดินน้ำลมไฟเมื่อเราจะมองถึงดินน้ำลมไฟเพียงแค่นี้มันก็มีทุก อยู่เต็มในดินน้ำลมไฟทั้งๆ ท, ที่ดินน้ำลมไฟนั่นเกิดขึ้นตั้งขึ้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันใครๆไม่อาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ถึงดังนั้นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไป เพียงแต่ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาเกี่ยวข้องพัวพันคืออาศัยสิ่งนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแก่พวกเราผู้ที่มีชีวิตฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพวกเราก็เป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นต้นมันจะตกต้องตามฤ ด, ดูกาลมันก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศและฝนไม่มีใครจะบันดาลได้ตามความประสงค์เราก็รู้แต่เสร็จแล้วเรานั่นแหละเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ของธรรมชาติดังกล่าวนี้ ยังแค่นี้มันก็ทําให้เราทุกข์เหลือล้นที่เราจะทําความรู้และทําความเข้าใจปีหนึ่งมันมีอยู่365วันคิดเป็นเดือน12เดือนคิดเป็นอาทิตย์มันก็มี7วันเดือนหนึงก็สีอาทิตย์มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละบางวันมันทําให้เราเกิดความชื่นชมโสมนะันัด สุกกายสุขจิตเพราะได้ประสบกับความสำเร็จในความนึกคิดต้องการและปาา่าธนาแห่งต้นบางวันมันก็บันดาลให้เรานี่แทบชีวิตจะหมอดม้วยถึงแก่ความตายหรือตายเสียได้ก็ดีนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะมันไม่มีจะ ก, กิน มันไม่มีจะใช้ถูกเขาทวงหนี้ไม่มีเงินที่จะเสียดอกเบีย้ยไม่มีสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ตนพึงประสงค์ต้องการซึ่งมันปรากฏในจิตใจอย่างเหลือร้นมันก็บรนดานให้เกิดความทุกข์ ยิ่งใกล้จะหมดเดือนหมดไปหมดไปก้าวไปถึงเป็นปีหลายๆปีมันก็ทำหน้าที่ให้เกิดความทุกข์บ้างความสุขแก่เราบ้างนี่ไหนพะิจารณาเอแต่นี้ถ้าหากว่ามองเข้ามาถึงชีวิตจิตใจ ได้แก่ตัวตนของเราแต่ละท่านแต่ละบุคคลนนเป็นอย่างไรวันหนึ่งคืนหนึ่งเพียงแต่แค่ประกอบด้วยยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งและนอนไม่มากไปกว่านี้ถึงมันจะตีแผ่ไปเต็มโลกก็ตามมันก็คงไม่พ้นไปจากยาบททั้งสี่นี้ไปได้เลยเนี่ยเพียงแค่นี้แหละ มันทุกเพียงใดนี่มีกินมีใช้มันก็ทุกไม่มีกินมีใช้มันก็ทุกนีแต่มันกินไม่ได้ใช้ไม่ได้มันก็เป็นทุกแต่นี่มีแล้วกินไม่ได้ใช่ไม่ได้มันคื อ, อยังไง รู้ไหมล่ะมีเงินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหลือร่นพ้นประมาณแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นแค่ขอะไรไม่ได้เลยไม่มีความหมายไม่ผิดอะไรกับคนมีทองมีหยองมีเพชรนินจินดาเต็มตัวแต่กินตังดับความหิวกระหาย ในขณะนั้นไม่ได้สู้น้ำสักอึดหนึ่งก็ไม่ได้สู้ข้าวสักคําหนึ่งก็ไม่ได้ฉันใดที่กล่าวแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่นี่เป็นเรื่องของความทุกข์ผู้ที่จะพ้นจากความทุกข์เพราความเพียร ความขยันหมันเพี้ยนเป็นที่ตั้งตามที่กล่าวมานี้เพื่อจะเชียวเห็นอย่างกว้างกวางแรกก็แบบง่ายๆแต่นี้ถ้าจะกล่าวถึงตามหลักซึ่งเป็นหลักที่มีอยู่ซึ่งเป็นลักษณะของความเพียน ที่เราจะพึงนำไปใช้ถูกต้องตรงเป้าหมายของท่านผู้รู้ได้แก่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นั้นก็อีกเรื่องแต่นี้เมื่อเราพิจารณาศึกษามองดูถึงเรื่องของความทุกข์ทุกนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเราจะกล่าวถึงง่ายๆก็ได้แก่ตัวอุปสรค ที่มันขัดขวางขัดขวางทางสำเร็จไม่ว่าจะกรณีใดๆนี่ว่ากันอย่างกว้างๆนะให้เราทำความเข้าใจอย่างกว้างๆคือมันไม่สำเร็จสมประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกภายในง่ายก็าตามยากก็าตามอยากระเยีดก็าตามนั่นแหละ เป็นเรื่องของความทุกข์ผู้พ้นจากทุกข์อันนั้นได้แต่ละอย่างได้นั่นแหละผู้ที่ได้ชื่อว่าพ้นจากความทุกข์ที่จะพ้นอย่างนั้นเพราะความเพียรเพราะความพยายามบุคคลผู้ที่มีความเพียรความพยายามนั้นไม่ต้องบอกหรอกว่าผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมเป็นเครื่องประกอบคล้ายอย่าง มันหากจะติดตามมาเหมือนกับเงาเป็นธรรมชาติที่ติดตัวของเราหนแหละถ้ามีตัวอยู่ตราบใดคำว่าเงานั้นมันก็จะต้องมีอยู่ตราบนั้นในส่วนเงานั้นจะปรากฏหรือไม่ปรากฏนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ถ้าเราอยู่ในที่มืดโดยทั่วไป ไม่มีความสว่างอยู่ซิกใดซีกหนึ่งของโลกหรือของตัวเราเงาก็จะไม่ปรากฏอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหตุการณ์เพา้นความภาคความเพียรก็เหมือนกันสุดแท้และสุดแล้วแต่เราจะความเพียรกับความอดทนก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องบอกว่าผู้ที่มีความเพียร น, นั้นคือคุณ ผู้มีคุณธรรมหรือมีความอดทนเป็นเหมือนเงาของความเพียรเพราะผู้ที่มีความเพียรถ้าไม่มีความอดทนแล้วจะชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเงาไม่ปรากฏเพราะไม่มีตัวไม่มีตนถ้าไม่มีตัวมีตนและมีเงาปรากฏนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ นี่ความอดทนเป็นนิมิตหมายบอกถึงผู้นั้นมีความเพียรเพราะนั่นความเพียรเหมือนตัวมันตนความอมดทนเหมือนกับเงาที่ปรากฏในตัวของเราความพยายามทางด้านของภาคของการปฏิบัติแม้แต่ในที่สุดคือความนึกคิดความค้นคิดพยายามนึกพยายามคิด พยายามลำลึกพยายามปรุงพยายามแต่งก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีความเปลี่ยนทั้งนั้นและคนเราจะนั่งจะยืนจะนอนจะเดินเพื่อกระทาเพื่อนึกเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งให้เป็นไปเพื่อความพ้นจากภาวะคือความเป็นในขณะนั้น ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีความเปลี่ยนทั้งสิ้นและก็จะต้องประกอบด้วยความอดทนเพราะผลแต่ละอย่างที่เราจะพึงได้และยังความยินดีโสมนัสให้เกิดขึ้นแก่ตัวตนของเรานะั้นล้วนแล้วแต่มันเราต้องรอคอย เราเจอถึงแม้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะประกาศไว้ในสวากขาธรรมอกาลิโกแปลว่าให้ผลโดยไม่อ้างการข้างเวลาข้อตามทีถ้าตราบใดในเรายังเป็นผู้มืดในการประกอบกิจอันนั้นมืดต่อเหตุและผลหรือแจ้งในเหตุแต่มืดในผลแล้วมันก็เป็นกาลิโกอยู่เมื่อนั้น หรือว่าผลมันเกิดละมองเห็นไปเป็นนันอื่นเป็นหนึ่งมองผิดเพี้ยนไปเสียอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลมันก็เป็นผลที่ไม่ตรงเป้าหมายคือตามความเป็นจริงอย่างบางครั้งมิจฉาทิฐิมันเกิดขึ้นในจิตของเรา เกิดขึ้นกับนิมิตหมายคือภาคของการปฏิบัติในทางกายก็ดีในทางวาจาก็ดีแม้ในที่สุดคือความนึกคิดในทางจิตใจคือมโนกรรมของเราก็ดีในคำที่ว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นถูกเป็นผิดเห็นชั่วเป็นความดีมิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิดไปจาก ความเป็นจริงในหน้าที่ของมันอย่างนี้และเราก็ไม่ได้เห็นว่าเราเป็นผู้เห็นผิดอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีผลเกิดขึ้นแต่ความจริง น, นมันมีผลของความเห็นผิดเคลื่อนขาดไปจากความเป็นจริงโดยที่เราสำคัญผิดมั่นหมายผิด มันก็คงต้องผิดอยู่วันอย่างคั้มันจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องนั้นไม่ได้ทต่นี่ผลของความเห็นผิดนั้นบางครั้งเพราะผลแห่งความเห็นผิดมันทําให้เราเบิก บ, บานใจก็มีทําให้เราดีใจสมนัต ก, กับผลนั้นๆันกีนก็มีทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วว่า บุคคลผู้ที่ทำกรรมชั่วจะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็าตาเปรียบเสมือนเป็นบุคคลผู้ที่มืดบอดคือเห็นชั่วเป็นดีเห็นถูกเป็นผิดและประกอบด้วยความกระหายอยากจะทำจะพูดและอยากจะคิด ไปตามแนวทางที่ผิดโดยที่ตนสำคัญว่ามันดีว่ามันถูกมันชอบหรือตนจะรู้ว่ามันไม่ดีไม่ควรไม่ชอบก็ตามตามหลักของความเป็นจริงแต่ถ้าว่ารู้อำนาจกิเลสจะด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ตา่ารู้อยู่ว่ามันผิดสินผิดธรรมผิด ซึ่งมนุษยชนไม่ควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตามแต่ด้วยอาศัยรู้อำนาจไม่สามารถที่จะสกัดกั้นห้ามพราหมณ์ไม่ทำไม่พูดและไม่คิดเป็นไปในทางที่ผิดนั้นแหะอย่างนี้เมื่อทำขึ้นมาสำเร็จ มันก็ส่งผลให้เราเกิดความภาคภูมิใจอย่างเราอันตภานหรือผู้ที่มียศขาบรรดาศักด์มีทรัพย์สินแค่แหวนเงินทองสินค้าอย่างมากมายและนำไปใช้ในทางที่ผิดใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ชอบด้วยสินรัฐธรรมและกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นต้นก็รู้ เรืความตายจึงเป็นทุกข์ใหญ่เป็นภัยใหญ่สำหรับทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกเราท่านทั้งหลายก็เห็นกันตาย โ, รโครมโคมได้ยินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วเป็นไเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ แม้แต่นิดเดียวและเราก็ไม่ได้มีความภาคความเปลี่ยนเพื่อจะก้าวล่วงพน้นความทุกข์คือความตายนะไม่ได้มีในกายในจิตของเราเลยมีตั้งแต่การกระทำเพื่อสั่งสมซึ่งความตายถ้้มันเป็นกองกระดูกเต็มโลกแต่ผู้เดียว นี่เราจะว่าอย่างไรนี่แหละมันจึงเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากทั้งๆที่เราเห็นอยู่ด้วยตาของเราผู้ที่หมดลมหายใจด้วยเหตุการณ์ต่างๆจะหอไปในอากาศหมายถึงตกลรือบินตายเราก็เคยเห็นเราก็เคยได้ยิน ไปในทางน้ำตายเพราะน้ำเราก็ได้ยินเราก็ได้เห็นเมื่อก่าวสันๆันแล้วเรอาใสายดินตายเพราะดินอาศัยน้ำตายเพราะน้ำอาศัยลมตายเพราะลมอาศัยไฟตายเพราะไฟสิ่งใดเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชีวิตเพื่อดำลงทรงอยู่และเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกประการเราก็ตายเพราะอันนั้น ไม่พ้นจากความตายเพราะสิ่งเหล่านั้นไปได้เลยสัตว์ที่อุบตทเกิดขึ้นมาในโลกและเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์นี่และเราก็ไม่ได้พยายามเพื่อจะให้มันก้าวล่วงพ้นไปจากความทุกข์อันนี้นี่เพียงแต่แค่ความตายถ้ายังไม่ตายมันถูกความแก่ ก, ก็คอบงำ ถูกความชราเขาครอบงำในระหว่างมีลมให้ใจอยู่ถึงความแตกดับคือตายไปถูกความเจ็บได้แก่เกิดเป็นโรคาอพารตความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นมันมีอยู่เต็มผืนแผ่นดินและแผ่นฟ้าโอ้ขาปายิโกน้อมเข้ามา เต็มกายเต็มจิตของเราถ้าจะมองถึงความเป็นโลกมันก็มีทั้งโลกภายนอกเกิดจากธาตุขันดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นของหยาบเป็นของเห็นง่ายๆประสบผลง่ายๆเราก็ยังไม่เห็น ว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์ในส่วนโรคภายในโรคแห่งความผิดหวังแห่งความไม่สำเร็จด้วยอำนาจแห่งความปรารถนาและไม่ปรารถนาโรคใจโรคใจนั้นไม่ใช่หมายถึงโรคจิต จิตวิปริตวิกลจริตไม่ใช่หมายถึงอาโรคประสาทคาว่าโรคจริตนั้นได้แก่กิเลสกิเลสมันพาให้เกิดโรคเป็นโรคเพราะกิเลสจิตของเรานั่นน่ะ ความทุกข์มันครอบงำอยู่ตลอดเวลายากที่จะว่างเว้นแต่จะเปรียบถึงความมืดมันมีความมืดยีบสี่ชั่วโมงมันไม่มีความสว่างเหมือนอย่างโลกปัจจุบันกลางคืน12บชั่วโมงกลางวัน12ชั่วโมงเลยมันมืดตลอดเวลา มืดเพราะความโลภเพราะตัณหาความอยากเพราะราคะความกำหนัดความไข่นี่พวกหนึ่งมืดเพราะความโกรธคือโทสะหมายถึงการประทุสร้ายซึ่งกันและกันพยาปาทะเบียดเบียนกัน จองเวณตามร่างรางผานกันผูกอาคาดผูกความพยาบาทตอาคาดซึ่งกันและ ก, กันไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์และสัตว์มันไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟดังกล่าวแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีกิรล โสภพยาบาทอาฆาตและจองเวรมันก็จองไปหมดลมันก็เป็นไปหมดไม่ว่าเราจะมาเกี่ยวข้องกับมันโรบ ค, คือความลุ่มหลงความมัวเมาเพราะความไม่รู้ลุ่มหลงในอะไรมัวเมาในอะไรไม่รู้ในอะไร มันก็ลุ่มหลงมวัวเมาไม่รู้ในกองกิเลสคือความโลภราคะตันหานั่นแหละโลภเกิดขึ้นทันหาเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นมันก็คล้อยหลงคือความไม่รู้ไปด้วยโทสะเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นความจองเวรเกิดขึ้นปฏิฆาความกระทบกระทั่งเกิดขึ้น มันก็รุ่มหลงมัวเมาไปด้วยกันนั่นแหละมันแทรกซึมไปได้ทุกขนทุกแห่งเหมือนน้ำในหินมันก็ซึมไปได้ในทรายก็ซึมได้ในดินก็ซึมได้ฉันใดคำว่าโมหกิเลส ข, ของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยโรคใจ เราเป็นอยู่กันตลอดเวลาธรรมชาติมันก็ยังมีกลางคืนกลางวันแต่คนเป็นโรคใจมากด้วยกิเลสมันไม่มีคำว่ากลางคืนกลางวันมันจะมืดอยู่ตลอดเวลานี่มันมีอยู่กับเราเป็นอยู่กับเราเราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ผลของมันเกิดขึ้นสมหวังบ้าง ไม่สมหวังบ้างเราก็เห็นแต่ความสมหวังและไม่สมหวังแต่ไม่ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์นะเป็นกองทุกข์นะและก็ไม่ได้เห็นว่าความโลภโกรธหลงเป็นเหตุสมุดฐานซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์นะนี่เมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้จะเรียกจะชื่อว่าไม่ชื่อว่าเราเป็นโลก และจะเรียกว่าอย่างไรเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมันก็ส่งผลให้เราเป็นทุกข์เลมันจะสําเร็จความปรารถนามันก็คือได้ทุกข์มามันจะไม่สําเร็จความปรารถนามันก็คือทุกข์ทำไมจึงว่าอย่างนั้นดูสิคำว่าปุเพกตะปุญญาตาการเกิดมาเป็นมนุษย์หญิงชายได้พรพระพุทธศาสนา และยิ่งกว่านั้นก็เป็นผู้มีศรัทธาภาษาทะในสัตถุคือคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้ายิ่งกว่านั้นก็ไม่ได้เพิกเฉยลงมือปฏิบัติศึกษาเล่าเรียนนำเนินชีวิตของตอนให้เป็นไปตามเรียวกว่าปฏิปติด้วยซ้ำไปแล้วเป็นยังไง มันสุขหรือว่ามันทุกข์แล้วอะไรล่ะเป็นผู้เป็นเหตุเป็นสมุดฐานบันดาลให้เกิดเมื่อเกิดมาเป็นเราแล้วมีศรัทธาด้วยและเป็นผู้พร้อมที่จะประกอบความเพียรคือปฏิบัติด้วยมันสุขนักหรือพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังเทศหรือมาพูดให้กันฟัง เป็นเวลาไร้ยนาทีมันสบายนักเลยและพวกเราเราก็มานั่งอดนั่งทนฟังเนี่ยมันสบายนักเลยทุกไม่มีเลยไม่เจอกับความปวดความเมื่อยซึ่งเป็นธรรมชาติชาติของธาตุขันซึ่งใช้มันมากเกินไปตอนนี้ถ้าจะมองลงไปถึงจิตใจของเราล่ะ ใจของเรานะฟังอยู่ด้วยความสงบดีประกอบความเพียรกันโดยความราบรื่นให้เจ้าความโรคความโกรธความหลงซึ่งมันเป็นเครื่องรอรหอกรลอนจิตใจของเราให้ละเมอเพอิ่จนเป็นเหตุให้ลืม ลืมความเพียนในการประอกอบความเป็นปัจจุบันของตนนั่นด้แก่สัญญาลูกเสียงกินรสทั้งอดีตและอนาคตเป็นเครื่องหลอกล่อหลอกหลอนจิตใจให้เกิดความทวโพระวโพนในไรก็ในระหว่างรูปเสียงกินรสอดีตและอนาคตกับความเป็นปัจจุบันอะไรดีกว่ากันแน่พุทธโทดีกว่าอารมณ์หรืออารมณ์ดีกว่าพุทธโท มีไหมเราในใจของเรานี่ย น, นี่แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณากันให้ละเอียดตามแบบฉบับของผู้ปฏิบัติอย่างเอาจิงเอาจังแล้วเราจะเห็นสภาพตามความเป็นจริงที่ปรากฏในกายและจิตใจของเราตามในลักษณะที่กล่าวสู่กันฟังนี้พยฟนพวกเราท่านทั้งหลายนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความพยายามเป็นผู้มีความอดทนแต่ความเพียรในที่นี้ตามที่ได้ชี้หรือกล่กาวให้ฟังนะั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นจุดหมายที่เราจะพึงข้ามพ้นกันด้วยความเพียรหรือความพยายามและด้วยความอดทน เป็นความอดทนในส่วนของกายอดกั้นในส่วนของใจก็ตา่างมันก็เป็นเรื่องของความเพลี่ยนเพียนเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทีนี้จะชี้ถึงหลักของความเพีย่ยนที่ในศาสนานี้หมายเอาซึ่งมีอยู่สี่ประการสี่อย่างด้วยกันสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นนี่ การที่เราเป็นผู้ที่มีความเพียรเพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นบาปใดๆเกิดขึ้นเป็นลักษณะของผู้ที่มีความเพียรเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความอดทนมีความอดกลั้นเพื่อต้องการที่จะร่วงพ้นก้าวพ้นจากสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นผลของความเป็นผู้ไม่มีความเพียรเพราะความสำรวมแต่ละอย่างนั้นนี่พูดง่ายๆนะเรียกว่าสังวรประฐานเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นบาปนั้นเป็นผลของความผิดเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องตามสัจจะคือความเป็นจริต อันนี้ก็กว้างอีกแหละความเป็นจริงถูกต้องในเรื่องของความดีงามมันก็จะต้องมีความถูกต้องมีความเป็นจริงความถูกต้องเรื่องของความชั่วคือความไม่ดีงามนีเ่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเพียร น, นั้น ก็ จ, จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรอบคอบประ้ะทีท่วนอาจเป็นผู้ที่มีตารอบตัวเหมือนกับตาสับปะรดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเป็นผู้พร้อมที่จะรู้จากเหตุและผลแห่งความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ฉนั้นความเพียนในข้อแรกท่านเพียนให้สังวรสำรวมเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดกล่าวโดยผลคือบาปบาปเพราะการกระทำทางกายเป็นอย่างไรบาปเพราะการพูด ทางวาจาเป็นอย่างไรบาปอกุศลคิดในทางใจเป็นอย่างไรเราท่านทั้ ง, งหลายมีใครบ้างจะไม่รู้คําว่าบาปดังกล่าวนี้บา ป, บาปเหล่านี้จะเกิดไม่จะไม่เกิดขึ้นแก่พวกเราท่านทั้ ง, งหลายต่อเมื่อเรามีความสํารวม มีความสังวรมีความระมัดระวังอยู่เนืองๆหรือเป็นนิดอันนี้ก็ทุกอีกแหละเราจะเป็นผู้มีความสัารวมสังวรเป็นนิดก้าวล่วงพ้นจากความไม่เป็นนิดเห็นไหมเราจะสัารวมได้ตลอด สัรวมกายได้ตลอดสัมรวมวาจาได้ตลอดสัมรวมใจได้ตลอดง่ายหรือยากการสัมรวมได้ตลอดนั่นแหละคือความเป็นนิจคนเราจะก้าวล่วงถึงความเป็นนิจถึงแดนแห่งความเป็นนิจมันจะต้องประสบกับความไม่เป็นนิจเสียก่อน มันจะต้องประสบกับความขาดขา ด, ขาดตกตกบ้องพองบกพร่องอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายทางวาจาและทางจิตสินของเราก็ขาดขา ด, ขาดเขินเขินไม่ขาดก็ด่างก็พร้อยอย่างนี้เป็นต้นยากที่จะไม่เกิดความบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสินกายสินวาจาตลอดถึงสินใจ เราเป็นนักปฏิบัติในโปรดพิจารณาให้มันพั่วถึงอย่ามองเพียงแค่กายและจะเรียวัดได้แก่ความประพฤติในทางกายวาจามองลงไปถึงจิตถ้าดูสินไงดูถึงสินจิตถึงสินใจน้นนะจ่นน่ะจะบำเพ็ญทานการกุศลให้มัน ท่านถึงใจเพราะทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจมีใจเป็นที่ตั้งเป็นใหญ่เป็นประธานเราต้องมองลงไปสุดจุดนั้นที่นั่นแหละเป็นเกิดบุญที่สุดเกิดบาปที่สุดที่สุดที่ของบุญของบาปอยู่ตรงที่ใจถ้าใจตั้งไม่ดีแล้ว มันก็เกิดดีถึงที่สุดถ้าตั้งใจตั้งไว้ผิดแล้วมันก็ชั่วและผิดถึงที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่ใจท่านเรียกว่าสังวรประธานเพียรร่วงไม่บาปเกิดขึ้นแต่นี้บาปมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะการทำอย่างไรการพูดอย่างไรการคิดอย่างไร เราควรเว้นจากการกระทาควรเว้นจากการพูดการกล่าวควรเว้นจากความคิดอย่างไรนี่มันก็เป็นหน้าที่ของเราผู้ที่มีความเพียรไม่รู้ก็ต้องเพียรพยาไม่มันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันไม่มากแค่มันเพียงพอต่อการที่จะสั่งสมแห่งความดีหลีกเลี่ยงแห่งความชั่วพอที่จะยังความบริสุทธ ค้นไปจากบาปประ ร, รมและุศลนัสนนละทมในจิตของเราได้แค่นี้ก็พอเราก็ต้องสังวรสํารวมถึงจักรทุกขคือในตาหูจมูกกลิ่นกายซึ่งสัมผัสนอนต่อเนื่องถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อดนดอนแข็งและทรรมรมณ์ในจิตในใจ เราพิจรารณาว้างขวางละเอียดลงไปโดยทั่วถึงจึงจะสมกับเราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ที่มีความเพียรปหะานประธ า, านเพียรละเพียรละบาปที่มันปรากฏมีอยู่ตั้งอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่ ในกายในวาจาจิตของเราเมื่อเรามีความสํารวมสังวรแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบและปรากฏให้ที้เห็นง่ายๆเราทุกคนเป็นผู้มีศินเป็นเครื่องปกปับรักษาสํารวมกายกายวาจาของเราอยู่ภายในกอบคือสินในแบบฟอร์มคือสิน ไม่ให้มันล่วงพ้นล้นไปจากคำว่ากรอบคือสินมันก็ดีเท่านั้นดีอันนี้เป็นลักษณะสังวรเราประทานถ้าเราไม่อยากให้บาปเกิดขึ้นเราก็จะต้องเพียรพยายามจเจริญสินของเราอยู่เป็นนิดจนเป็นนิดจจสิน เมื่อเรามีนิจสินในทางกายทางวาจาและใจละ่ะลอมองลงไปในใจสิคําว่าโลภโกรธหลงนั่นแหะมันไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาแต่เป็นที่ปรากฏการของกิเลสในหัวใจเพราะนั้นประธานประานเพียรละบาปนั่นก็คือหมายถึงว่าละสมุธฐานคือเหตุ ซึ่งเป็นตัวสมุทัยสัตว์นี่กายวาจาเปรียบเหมือนทุกขสัตย์กิเลสทั้งหลายทั้งปวงปรากฏอยู่ในใจแม้มีศินแล้วมันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้หมดไปสิ้นไปอันนี้แหละเป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อสินดีแล้วในทางกายวาจาสมุทัยสัตว์คือใจของเรายังมากอยู่ด้วยกิเลส มันก็ย่อมจะปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในโรคราบนั้นเพราะฉะนั้นสังวรระทานเพียรละบาปอกุศลที่สินและทานแม้ในที่สุดคือธรรมะตางสิ่งแปลงประกาศแม้มีอยู่ในตัวในกายในจิตของเราแล้ว ส่งผลไปไม่ถึงชำระร่างซักฟอกให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ไม่ได้อันนี้แหละเป็นประหาน้าประหาความเพียรที่เราจำเป็นจะต้องละเพื่อละเพื่อถอนเพื่อถอนส่วนการจะละถอ น, ถอนด้วยข้อวัตปฏิบัติอย่างไร ควรกำหนดอย่างไรเจริญอย่างไรพิจารณาอย่างไรนั่นให้เราพิจารณาราคะเกิดขึ้นความโลภความอยากเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นเราจะพึงแก้ปัญหาแต่แก่การกำหนดบริกรรมการพิจารณาถึงข้ออัดข้อธรรมอันใดซึ่งเป็นของปฏิปัติ แก้ซึ่งกันและกันถ้าจะกล่าวในที่นี้เวลาไม่พอเพราะฉะนั้นให้เป็นการบ้านไปคนคว้าพิจารณานี่คือเพียนรักภาวนาประทานภาพเพียนพยายามสร้างแต่คุณงามความดีซึ่งเรียกวกั บ, บุญกุศลส่วนความชั่วคือตรงกันข้ามนั้น ไม่อยู่ในข่ายของความเพียรอันนี้ขึ้นชื่อว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเราจะพึงได้พึงถึงเพราะการมีกายเสียสระกายเสียสระวาจาเสียสระความรู้สึกนึกคิดอย่างไรซึ่งมันจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณความดีให้แก่ตัวตนของเราผู้ที่เสียสระหรือผู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นมากระจงตั้ง ความเพียรลงไปนี่เพียรคือสร้างบุญกุศลคือคุณงามความดีอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศล น, นั่นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการประพฤติเหตอันใดเพื่อให้ส่งผลแห่งการละงดเว้นให้เราถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดแม้แต่เล็กน้อยหรือภายนอกก็ดีภายในก็ดี ยังไม่เป็นไปเพื่อสมุดเฉดประหารให้เรารักษาเพียรพยายามรักษาเพราะนั้นพระยิ่งเจ้าทั้งหลายถึงแม้ท่านจะหลุดพ้นไปจากกาสะวิกิเดทมูลเหตุที่ก่อยเกิดความชั่วทั้งหลายแหล่แลว้วะตางท่านก็ยังพากันรักษารักษาอย่างดีเยี่ยมดียิ่งกว่าพวกเราเป็นในไหนด้วยซโทษแม้แต่นิดหนึ่งจะเกิดขึ้นในทางกายวาจาจิตไม่มี ท่านหาได้เป็นผู้ทอดทิ้นจากข้อวัดปฏิบัติขนบรรมรำเนียมประเพณีทั้งในส่วนที่เป็นปหานนประธานทั้งในส่วนที่เป็นพาเวต่ธรรมไม่นี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พินิษพิจารณาเมื่อเรามีความเพียนทั้งสีประการนี้แล้วทันประกอบเด้วยคุณธรรมฉันท่าเป็นผู้ที่มีความพอใจในอันที่จะนำ ความเปลี่ยนทั้งสีประการนี้ไปใช้มริยะเป็นผู้ที่มีความพยายามจิตตาทำสิ่งใดเอาใจจดจอ่อ แ, แน่วแน่ววิมังสาหมันใจตรองตรวจตาพิริดพินาดูความถูกผิดในภาคของการปฏิบัติตลอดถึงเหตุและผลนั่นเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างนี้ เราท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่จะมีความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าหรือในสัมมาปฏิบัติของตนตามระยะที่ได้ชี้แจงสแสดงก็เห็นว่าปอควรเกเวลาาอิวังก็มีด้วยประกาศชนิดน บ, บัดนี้ธรตมภาพเจริญปัชนา แดงธรรมมีคะถาปรนนาศาสนธรรมคำสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปถาสมัมมาปฏิบัติเบรินดาพุทธบริษัทที่เด้มา ประชุมปรโมสรนโดยความพร้อมเพียงกันณสถานที่นี้เนื่องในวันนี้เราท่านทั้งหลายโดยที่มีคุณหมอมาไรศรีประจิตเป็นประธานฝ่ายประถามีเมชี พรตระารบุตรเป็นประธานฝ่ายดำเนินงานมีคุณสมบูรณ์คุณจันทร์ประคาพร้อมด้วยบุตรธิดาสีสวรรค์เป็นรองประธานฝ่ายเครื่องหัดคุณชาติพูดจันทร เป็นประธานดาเนินงานฝ่ายเรียนยิบและคุณจับคุณร อ, อราบผมเป็นรองประธานป่ายวุธรรมคุณชีประทุมปัตมดีลก กรรมการฝ่ายแนะนำและชักจูงให้ร่วมการกุศลบรรดาเราท่านทั้งหลายต่างก็ตั้งอยู่ในฐานะของการเป็นสิทธินุสิตในอดีตกัจจาวา ท่านพอรีเป็นต้นกับทั้งปิยานิสิตท่านเจ้าวาดในปัจจุบันทั้งนอกและในใกล้และไกลได้พร้อมใจกันเป็นมิกฉันในกจัดการกุศลฐาน อันเนื่องด้วยนำผ้าปะถินมาทอดนวัตโสการามทั้งนี้ทุกท่านดูมีความตั้งใจและปรารถนาในการที่จะตอบสนองในคุณของครูบาอาจารย์ด้วย <c oughs> เท่าที่ถวายขึ่งกุศลทั้งหลายทัง้งปวงเกิดขึ้นในการบำเพ็ญกุศลอันเนื่องด้วยกระทานมีการถวายผ้ากระถินในครั้งนี้เป็นที่ตั้งก่อนด่งแต่การที่จะได้ชี้แจงหรือบรรยายธรรมะ เพื่อเป็นการสนองคุณแดบรรดาท่านทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็ใคร้ที่จะได้ปรกถึงเหตุแห่งการที่องค์สมเด็จพระผู้มีระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุ บทในพุทธศาสนานี้ได้ทรงรับผ้ากฐินเพื่อเป็นการฉลองศรัทธาในบรรดาศรัทธาผู้มีใจอันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายได้น้อมนำมาแล้วก็สมัยในครั้งพุทธกาลคือสมัยที่ ก็สัมมาพุติเจ้ายังมีพระชนมายุซึ่งพระพุทธศาสนาในร่วงการผ่านไปก็ประมาณเป็นปีที่สิหรือที่สิบเบ็ดสมัยนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ในพระเจดวันมหาวิหาร ธนคอนนั้นมีชื่อว่าสาวตถีพิสุจำนวนสามสิบรูปมีความปรารถนาให่ในการที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่ง ก็โดยมุ่งหน้าพามูกณะนเดินทางมาโดยลำดับเตอว่าเป็นการใกล้ในการที่จะอยู่จำบัรสราจึงไม่อาจที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทันกาสมประสงค์ดังนั้น จึงจำเป็นีต้องอยู่จำปัญญาในระหว่างทางซึ่งเรียกว่าเขตเมืองปาเถยะด้วยจิตใจกันเล่าร้อนใข่ต่อการที่จะเข้าเข้านาุกุทิเจ้าซึ่งเป็นระยะทางห่างกันประมาณถึงหกโยอดเปร กันเลือออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งสามสิบลูกก็ได้ร้อมใจกันเดินทางมุ่งหน้าต่อต่อพระเทตะวันดูหวังจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าในที่สุดในระหว่า ง, งการเดินทางนั้นยังไม่เป็นการสิ้นุดูการสนดังนั้น ระหว่างการเดินทางก็ได้รับความทุกความเดือดร้อนเลื่อยทางก็กรกตระกันดานเต็มไปด้วยเปลือกตมและหลุมบ่อพร้อมทั้งเปียกตอนด้วยนา้าฝนเมื่อได้รู้ถึงพระเจดวันเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสมประสงแล้วพระองค์ก็ได้ตัดชักทายพุทธวกทั้งหลายทั้งสามสิบรูปนั้นก็หมายถึงได้สอบถามถึงความเป็นอยู่และในระหว่างของการเดินทางว่าพวกกันทั้งหลายอยู่กันด้วยความสงบสุข มีความสามาัคคีกันมีอยู่หรือการบินทบาทโคจรก็เป็นที่สุขเป็นที่สบายกันมีอยู่หรือประการใดก็เด่รับตอบถวายว่าความเป็นอยู่นั้นแ่ะก็ได้รับความอาสะดวกสบายในการโคจรบินทบาทหรือ มีความสามัคคีกล้อมเียงเป็นนันหนึ่งเหมือนเดียวคือยู่ด้วยความสงบสุขแต่เพาว่าระหว่างของการเดินทางที่จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านี้ก็ยอมจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทางที่จะพุ่งบันเดินมานั้นก็ยังเป็นไปด้วยโคนตม และก็ถูกลับเป็นหลุมเป็นบอ่อไม่สู้จะลาบลื่นกับทั้งเปียกพรน้ําฝนเพราะยังอยู่ในการฝนเมื่อพระองค์ได้ทรงรับทราบและก็เสด็แสดงธรรมโปรดเป็นที่จบลงแล้วจึงได้ทรงอนุญาตให้แก่พิสุทั้งหลายที่เข้าม า, าบวชในพระพุทธศาสนานี้ เมื่อได้อยู่จำการปัญญาครบสามเดือนใจมาดแล้วก็ให้การจะถิ่นได้ <c oughs> นี่คือเป็นที่มาที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำปัญญาตลอดสามเดือนใจมาดไมนมีโอกาสฉลองทธาบันดาญาตโยมผู้ไข้ต่อการบุญการกุศล คือบำเพ็นทานอันเนื่องด้วยทอดท้ากฐถินการละทานเกี่ยวกักรถินนี้ปีหนึ่งในวัดหนึ่งก็จะมีโอกาสบำเพ็นกันได้เพียงครั้งเดียวคือทอดได้วัดกต่ครั้งต่อนหนึงปีไม่สู้จะพุ่มเวย เหมือนกับการบุญการกุศลส่วนอื่นมีการบุญการกุศลเกี่ยวกับการทอดผ้าตั้งต้นเพราะการทอดผ้านั้นไม่ได้กำหนดการไม่ได้กำหนดเวลาคือไม่มีการไม่มีสมัยเหมือนกับกะตินละทานกระินะทานนอกจากวัดหนึ่งจะทอดหรือรับกันได้เพียงครั้งเดียวแล้ว ก็ยังจํากัดการจํากัดเวลาในปีหนึ่งก็จะมีเวลาทอดกันได้เพียงหนึ่งเดือนคือสามสิบวันตั้งแต่วันแรมขําหนึ่งเดือนสิเดคือเป็นวันออกพรรษาไปจนถึงวันเพ็นขึ้นสิบห้าตั้กลางเดือนสิบสอง เป็นเวลาสามสิบวันอันนี้เป็นวันที่กำหนดตรงอนุญาตให้บำเพ็ญมุนกุศลอันเกีย่ยวกับเนื่องจากการให้ทานมีการทอพ่อสถิ น, ป น, นเป็นต้นเปลียนตามที่ได้หยิบยกขึ้นมากล่าวสู่กันฟังโดยย่อ อันนี้ก็คือเป็นที่มาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้ทิษุที่อยู่จำปัญษาก็สามเดือนใจมรถให้ได้ทำการให้ได้ทำการการปฏิญได้รับปฏิญได้อย่างที่พวกเราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ เราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เหลือใสซึ่งความประมาทหรือความโมเมาในชีวิตคือความเป็นอยู่พร้อมกับทรัพย์สินเงินทองเข้าของกล่าวคือปัจจัยเป็นเครื่องกระดุมชีวิตซึ่งได้เกิดขึ้น จากพระกาลังแห่งกายและจิตตลอดถึงกําลังทัพของตนโดยพ่อคูณเดือมนาศของการสั่งสมให้เจริญมาโดยลำดับเราท่านทั้งหลายไม่ตกอยู่เดือมนาศของอปมาปมาทธรรมจึงได้นำ ทรัพสมบัติของเราออกมาบำเพ็ญกุศลเพื่อจะเป็นการเพิ่มภูบมบารมีคือความดีให้แก่ตนของตนยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะบรรดาเราท่านทั้งหลายต่างก็มีพระพุทธศาสนา ประจําชีวิตจิตใจของแต่ละบุคคลพระพุทธศาสนาก็หมายถึงเป็นเครื่องที่จะพัฒนาจรนโลงชีวิตคือความเป็นอยู่ของบรรดาเราท่านทั้งหลายให้ดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับและอีกประการหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลาย ก็ได้ถือว่าเป็นผู้ไขในการที่จะสั่งสมในเรื่องคุณงามความดีคือการบุญการกุศลเพราะในทางพระพุทธศาสนาของเราได้ทรงตัดไว้ว่าการสั่งสมไว้ซึ่งบุญหรือกุศลย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขดังนี้ ดังนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันมาไม่อาศัยซึ่งความประมาทมัวเมาเป็นที่ตั้งจึงได้พากันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเกี่ยวแก่การเสียสละซึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของเรียกว่าสมบัติตามกำลังของศรัทธา เท่าที่เราท่านทั้งหลายจะพึงกระทาบำําเพ็ญให้เป็นไปได้เพราะคำว่าบุญก็ดีกุศลก็ดีนั่นก็หมายถึงความสุขหรือความเฉลียวความฉลาดได้แก่สติปัญญาชีวิตนี้หมายถึงความเป็นอยู่ถ้าประกอบด้วยสติปัญญาแล้ว เป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็ย่อมจะอำนวยประโยชน์โสอดที่ผลให้เกิดขึ้นแก่ตัวตนของตนเราได้ทั้งในเจ็บปปัจจุบันและทั้งในสัมปรายภพพระพุทธศาสนาของเราท่านทั้งหลายเป็นศาสนาที่สูงสุดหรือสูงส่ง ยิ่งกว่าบรรดาศาสนาที่มีในโลกเพราะว่าศาสนาของเรานั้นไม่ได้สอนเพียงแค่อ่าหรือไม่ได้มุ่งสอนในส่วนที่สูงสุดได้แก่วิมุตต์คือการหลุดพ้นไปจากวัตถะสงสารหรือหลุดพ้นไปจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงโดยส่วนเดียว แท้ที่จริงพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธถึงความสุขหรือความเจริญบรรดาที่มีในโลกและเป็นสิ่งที่บรรดาจัตวโลกทั้งหลายต้องการและปรารถนาเลยโดยที่เราจะเห็นได้ในทางพระพุทธศาสนา